บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นหลบการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนั้นในแง่ของการศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้โดยวิจิตพิสดานเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตำหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ แต่แนวในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราคงอยู่ในกรอบของอริยสัจทั้งสี่ประการและจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะระดับศีลสมาธิหรือปัญญา ก, ก็ตามเราจะจับในจุดใดจุดหนึ่งแต่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้คุณความดีเราอื่น ซึ่งยังไม่มีก็จะมีขึ้นโดยลำดับและที่มีแล้วก็จะเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในขณะที่ความดียังไม่มีเกิดมีขึ้นที่มีแล้วเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองก็ได้ทำหน้าที่ขจัดกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับตนให้มีกำลังบาบางเจือจางลงไปโดยลำดับ โดยมีจุดสุดท้ายอย่างที่ทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปจึงก็หมายความว่าปฏิกริยาที่กระทำต่อกันระวังกุศลกับอกุศลหรือระวังกิเลสกับธรรมะเหล่านี้จะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเพียงแต่ว่าบุคคลสามารถเสริมสร้างส่วนกุศลให้สูงขึ้นได้มากเท่าไรเท่านั้นเอง และปริมาณของกุศลนั้นก็จะทำหน้าที่ขจัดอกุศลเพิ่มขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกับตนก็ทำนองแสงสว่างขยายออกไปเท่าไรความมืดในจุดที่แสงสว่างท่งไปถึงก็จะถูกขจัดไปแต่ในส่วนที่แสงสว่างยังส่องไปไม่ถึงก็คงมืดอยู่เราต้องการให้ ความมือสวดนั้นหมดไปก็ต้องเพิ่มแสงสว่างขึ้นไปอีกธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกร น, นีผมสังเกตว่าบางครั้งท่านได้ส่งจำแนกแสดงออกไปคล้ายๆกับคนละเรื่องกันจะแสดงถึงอาการสมาธิของบุคคลในส่วนหนึ่งไว้ว่าเป็นอนิมิตะสมาธิ คือสมาธิที่หานิมิติหาเครื่องหมายอะไรไม่ได้อปิ น, นิตสมาธิสมาธิที่มองสิ่งทั้งหลายหาที่ตั้งหรืที่วางที่กําหนดลงไปไม่ได้สุญญตะตสมาธิสมาธิที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายว่างว่างจากตนและว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนและใ น, นจริงในแนวของปริญัติเราก็ต้องศึกษาหมดทั้งสาแนว แต่แนวของการปฏิบัตินั้นก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นการเริ่มต้นก็ขึ้นอยู่กับคื้นอัตยาสายที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ขนาดไหนก็ตำนองจะเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเราสะดวกที่จะเข้าไปในทางใดก็เข้าไปในทางนั้นเมื่อเข้าไปถึงก็ชื่อว่าไปถึงในสถานที่นั้นแม้คนอื่นซึ่งเข้าไปทางอื่นแต่ไปสู่จุดเดียวกันก็จะถึงในที่เดียวกัน นั้นเวลาในทรงแสดงในแนวอนัตตลักษณสูตรซึ่งทําให้ท่านปัญจวัคคีย์บรรลุมรรคผลเป็นพระหานั้นทรงเริ่มที่ให้มองในแง่ของความเป็นอนัตตาเนอเริ่มมองไปที่รูปก็คือสังขารร่างกายที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตของบุคคลและสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแต่ตอนแรกไม่ได้มองข้างนอกคือมองที่รูปของเราก่อน อะไรเพราะความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อจิตใ จ, จของเราสร้างความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจอาศัยรูปของเราและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปเราซึ่งพระเจ้าจะทรงมีคําที่ต่อเนื่องกันไปสองคาเรียกว่าอัตตากับอัตตัญญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนให้เราสังเกตว่าถ้าไม่อยู่ในสองกลุ่มนี้ความก้าวหนักขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับคําว่าตนหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเรก็นาคเคืองลุกลกม่มมวเมาด้วยความโศกความรําไรรผ่านความทุกข์ความเสียใจความขัดแค้นใจการรู้สึกว่าตนเองต้องพลัดพลาดการรู้สึกว่าตนเองต้องสูญเสียการรู้สึกว่าตัวเองต้องอึดอัดขัดข้องใจมันต้องเกี่ยวเกาะกับคำสองคานี้อยู่แต่เช่นในกรณีของการพลัดพลาก เระการสูญเสียประการล้มตายเพราะการถูกภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆที่จริงเมื่อเกิดขึ้นทุ ก, ทกขณะในส่วนต่างๆของลบเตจิตใจเราบางครั้งเราก็เฉยๆที่สําคัญอย่างยิ่งคือบางเป็นอันมากที่เราไม่รู้มันไม่รู้ก็เฉยๆหรือารู้แล้วก็มีการกําหนดอารมณ์นั้นว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนอย่างไรพอรับรู้ไปแล้ว ไม่เชื่อมกับตนหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนความโศกความสีใจก็ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ความดีใจก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าพอได้ทราบข่าวว่าใครที่ไหนอย่างไรทำไมแล้วพอรู้ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องด้วยตนตอนนี้แหละความรู้สึกยินดียินรายจึงจะเกิดขึ้นยัในกรณีเขามีการตาย จริงไม่ได้เกี่ยวกับว่าการตายคือมันอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ที่ใครตายจึงจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราในด้านความดีใจความเสียใจส่วนใหญ่แล้วความตายที่เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์นั้นเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะถ้าดีใจเสียใจแล้วคงดีใจเสียใจอยู่ทุกขณะจิตเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วคนเราสัตว์คนสัตว์ทั้งหลายนั้นตายอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าตายในที่ใดเท่านั้นเอง ถึงจะมองโดยละเอียดแล้วแม้เราเองก็ตายอยู่ทุกขณะที่ท่านเรียกว่าคณิกะมรณะคือเราตายอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามีลักษณะเลื่อนไหลส่วนหนึ่งตายไปส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแทนทันที่เตรียมใช้กรรมสันตติคือเกิดสืบเนื่องกันมาเราก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันแต่พอเปลี่ยนแปลงมากข้าวอาการต่างๆมันก็ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ว่ในรูปของความแก่ที่จริงก็เพราะสูตรต่างๆของร่างกายได้ตายไปความเปลง่งปลั่งมีน้ำมีนวลความสวยงามต่างๆเราดันได้ตายไปก็ยังเหลือแต่ร่องรอยหรือบางขา่าวบางข่าวก็ร่องรอยก็หมดไปก็มีอาการอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นมานี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตแต่ทําไมความตายบางอย่าง จึงไม่เป็นที่ตั้งของความโส ค, ความร่ำรวยดังมันเพราะเพราะไม่เกี่ยวข้องกับตนและสิ่งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนดังที่กล่าวแล้วคำว่าใครหรืออะไรจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราสูงถ้าหากว่าเกี่ยวกับตนหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนแต่นอกจากเราคือที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็คือใครและอะไรเหมือนกันแต่พอดีมาถามว่าใครเราก็ไม่รู้จัก ทำอะไรก็ไม่รู้อะไรหรือว่ารู้อะไรแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราก็จะไม่รู้สึกกินดีกินรายเพราะันการเรียนรู้จึงมีจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และจะมองจากมุมใดก็ได้ดังตัวอย่างที่เราพูดมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่บุคคลเกิดความเครอยดแครงสงสยัยไม่แน่ใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท จริงกระบวนการของความเครือบแคลงสงสัยนั้นก็มาตั้งแต่ระพุทธเจ้าประทำประสงค์ในตรีติขาในชีวิตเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตและอนาคตเรามาสรุปรวมที่ความสงสัยในกฎของปฏิจจสมุปบาทเวลาเราเรียนแนวปฏิจจสมุปบาทเราก็ว่ากันทั้ง 11- บเอ็ดหรือสิบสบางทีท่านก็นับ11บางทีก็ทั่งก็นับสิเพราะอะไรพระจริงชาติกับชร า, านั้นมันติดกัน เอาความมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ใครเกิดคนนั้นก็แก่เพราว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วก็หลายก็สู่ความแก่ทันทีในขณะที่หลังจากเกิดทําหน้าที่ปฏิสนธิเสร็จมันก็หลายก็สู่ความแก่แล้วแต่บางทีท่านก็แยกออกไปแยกออกไปมันก็กลายเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงต่างๆเป็นคล้ายๆกับห่วงลูกโซ่แต่ก็หมุนหมุนยุ่นในห่วงของสังสารวัตรมันก็เป็นทั้งห่วงทั้งห่วง แล้วก็ทั้งห่วงด้วยแล้วก็ติดกันอยู่เป็นแถวไปในความเป็นนวิชาก็ดีความเป็นสังขารก็ดีแความเป็นสังขารนั้นเป็นสังเกตว่าโดยลักษณะของเขาแล้วเป็นคนจะเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้ไหมแล้วก็เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้เช่นอะไรเช่นสีลานุสติการตั้งสติเราเลึกถึงศีนของเรา จากการนุสติการระลึกถึงจากะคือการเสียสละการบริจาคของเราก็เป็นพวกอนุสติเป็นอารมณ์ของกรรมฐานตลอดถึงอุปสมานุสติการตั้งสติระ ล, ลึกถึงคุณของปณิพานธ์ในตัวของปณิพานธเป็นต้นเพรที่จริงมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่ว่าบุญ น, นั้นก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลมาแล้วพอ ถ, ถึงจุดหนึ่งเราก็ใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ นั่นก็คือการมองให้เข้าใจถึงพวกสังขารทารั้งหลายสังขารนั้นท่านจำแนกแสดงออกไปหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มรว ม, ม, มที่สุดคือมีวิญญาณครองและไม่มีบินดางครองแต่ว่าสังขารที่ท่านเน้นในในปฏิจจสมบัตินั้นจะเน้นอยู่ในช่วงเหตุหรือช่วงผลในรุ่นของพระบาลีเองจะเน้นไปในตัวคน ในช่วงของอัตรกระถาก็จะเน้นไปที่ตัวเขตในพระวาลีที่ทรงสแสดงคือเป็นพระพุทธวจนะจริงๆนั้นก็จะเน้นไปที่กายสังขารวิญสังขารและจิตตสังขารเพราะการทั้งสมอย่างมันก็เป็นอารมณ์กับกรรมฐานได้ทั้งหมดกายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายของเราอยู่ให้ดำรงคงอยู่คือตราบใดสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ชีวิตของบคุคคลก็มีอยู่ พอสินี้ดับไปชีวิตของบุคคลก็ดับไปแต่พึงสังเกตว่าบางอย่างนท่านพูดต่อพูดได้ต่อกันว่าอายุอายอุ่นวิญญาณถ้าอายุอายอุ่นวิญญาณย่งมีอยู่แล้วชีวิตของบุคคลก็คงอยู่แต่ที่จริงอายุอายอุ่นวิญญาณนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากลมหายใจเขา้าออก ม้แต่ลมหายใจเข้าออกเองมันก็สืบเนื่องมาจากอุวิญญาณเพราะฉะั้นพวกนี้ก็อิงอาศัยถึงกันแต่การเราจะพูดตรงไหนก่อนตรงไหนหลังก็ได้พร่างกายจะสังขารก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นไปว่าปรุงแต่งหรือปนปรือหรือหล่อเลี้ยงรักษาไว้ในตัวลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานในที่เราเรียกว่าอนาปานสตินั้นก็ที่จริงก็เป็นอารมณ์นั้น แต่เวลาศึกษาสังเกตพินิษพิจารณาแล้วไม่จำเป็นจะ ต, ต้องดูเฉพาะช่วงนั้นเพราะการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งโดยพระบาลีจริงๆคือที่ปิพระพุทธวัจนาจริงๆพระเจ้าก็แสดงช่วงสำคัญไว้เพียงสี่ช่วงเท่านั้นเองเพราะอีกต่อมานั้น12บสองช่วงที่แบ่งเป็นสบระดับเนี่ยมนต้องสี่ช่วงนี้ สแดงผลออกมาเสีก่อนก็ตานองค้าๆก็พูดถึงต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ยังไม่พูดถึงดอกไม้เขืพวกนี้มันเกิดปเป็นก่อนเราจะพูดถึงดอกมันในหลังแล้วพอพวกนี้ถึงความสมบูรณ์ถึงคราวจะออกดอกมันก็ออกดอกอมันเองออกดอกแล้วมันก็มีผลของมันเองเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องไปเท่านั้น การลมหายใจเข้าออกในช่วงของการตั้งสติระลึกรู้ที่ตัวการสำคัญจริงๆจึงมีอยู่เพียงสี่อย่างก็คือลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกยาวแต่าการตั้งสติระลึกรู้มันก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมนั้นเองจะยาวหรือจะสั้นก็รู้ไปตามที่ปรากฏ หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ระลึกไปตามนั่นแล้วกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกกองลมก็คือที่เกิดของลมทั้งส่วนเกิดแล้วก็ส่วนดับไปก็แล้วแต่ขาเข้าหรืขอรขาออกลมที่หายใจเข้าไปมันค่าจะไปดับในเนือสะดือขึ้นมาตอนหายใจออกมันก็ดับอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ทบอยู่ที่ลปลายจมูกบ้างที่มีปากมาก แล้วกำหนดรูปความสงบระงับของลมหายใจเข้าออกตรงชา้ากรรมกายอย่างสังขารก็หมายความมันลมหายใจเข้าออกเกลี่ยละเอียดเข้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าขอให้ระลึกรู้ถึงอาการที่ปรากฏเต่านั้นเพราะเราก็จริงๆแล้วแม้แต่ในสข้อนี้ในทางปฏิบัติแล้วก็เอาเฉพาะข้อแรกตั้งแต่เรื่อรู้ลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏในขณะนั้นจะยาวหรือจะสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้น การกําหนดรู้กองลมนั้นขนจากการตั้งสติระลึกรู้ในลมหายใจข้าออกจะต้องปรากฏเสียก่อนจึงจะดูเห็นกองลมแล้วเมื่อพวกลมสงบไปนั้นก็ต้องเห็นกองลมชัดเจนเสียก่อนต่อจากนั้นจึงจะเป็นกองลมไอลมหายใจจึงจะสงบแต่นั้นจะเห็นว่าพอแนวปฏิบัติของก็ปฏิบัติท่านนั้นนี่ก็มองในแนวของสมถกรรมฐาน แล้วจากจุดนี้เองเวลาส่งแสดงไปช่วงท้ายๆของพิสูจ์เราได้สะสมความรู้ความเข้าใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติสัมผัสยัญญความเพียรที่ต่อเนื่องกันมาโดยตำดับสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นจะทำที่สร้างปัญญาให้ครุ่นคิดปินิดพิจารณาแล้วค่อยๆเกิดเห็นความเกิดดับ ของลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็คือกายจะเห็ น, ค, น Ins, ความเก claro <issors> <enza> ิดดับของลมหายใจเข้าออกความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกความตั้งอยู uh. ่ไม่ได้นานของลมหายใจเข้าออกท่านทั้งหลายะเห็นว่าอาการเหล่านั้นที่จริงก็คืออาการของใจหลักที่แสดงตัวให้เราเห็นที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองในชั้นแรกอาจจะไม่เห็นจะ อาจจะไม่ทันสังเกตหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้เพราะตามปกติคนจะไม่ค่อยมองในมุมนี้แต่เมื่อจิตใจของเราสงบเราก็มองเห็นเป็นความเกิดเป็นความดับเป็นความตั้งอยู่เป็นความดับไปเอดูไปดูมามันก็เกิดเกิดกระดับกระดับกระดับกระดับโอ้จริงๆมันก็ดับอยู่เรืยนั่นก็คือมองเห็นถึงความเป็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกข แล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่เราบังคับไม่ได้บางทีก็นั่งไปแล้วสมาธิบางเกิดเอาปับหายไปเลยบางทีไม่เกิดเลยบางทีลมหายใจไม่ส ง, งบเลยหรือบางทีแม้จะตั้งสติภาวนาพอพุทโธพุทโธในยังเอามาอยู่นั่นแสดงให้เห็นถึงอนัตตาคือการที่เราไม่สามารถบังคับควบคุมมันได้แล้วก็จริงลมหายใจเข้าออกนั้นเองก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน เรามายใจเข้าออกเป็นอะไรเป็นขันท่าเป็นขนาน่กลุ่มไหนเป็นขนาน่กลุ่มรูปเพราะฉะับางครั้งบางคราวเวลาทรงแสดงเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาก็สรุปรวมที่ขันท่าแต่บางทีก็ทรงแยกกันดูคือมายความหยิบตรงไหนขึ้นมาก็ได้ร่างกายของบุคคลเราเนี่ยหยิบส่วนใดขึ้นมาก็ได้ที่เราเห็นชัดเจนมากกว่าเคลืนก็ดูมันตรงนั้นก็ตามขึ้น อัตยาัยของเราที่สะสมอารวมมามันก็ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าจะดูตรงนั้นดูตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดจะดูตรงไหนแล้วก็ดูประรบอะไรมาก่อนมันก็คงอยู่ในกรอบของปัจจัยลักคือมีข้อแม้ว่าต้องมองเข้าในกรอบของปัจจัยลักมันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานนี่เองว่ากายสังขารส่วนนี้ก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์ ได้ทั้งสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานขั้นตอนของการรู้สึกปฏิบัติจึงอยู่ที่ว่าจะตั้งสติระลึกหรือว่าจะใช้ปัญญาพิณิปิจน า, าตั้งสติระลึกเพื่อเกิดความสงบมันก็เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐา น, ฐานและตัวนั้นแหละตัวที่เคยตั้งสติระลึกรู้อยู่นั่นแหละแต่เราจะพิจารณาดูความเกิดความดับของเขาดูความเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนของเขาก็จะเห็นว่า ตัวนี้มันก็เป็นวิปัสสนาพอเรามองเห็นตรงนี้ชัดเจนก็มองไปที่ใครก็ได้มันก็เหมือนกันคล้ายๆกับเรามองภาพรวมๆวราะคนทุกคนต้องตายสาัตว์ตั้งหลายต้องตายเราก็เป็นสัตว์คนหนึ่งเพราะฉะั้นเราก็ต้องตายไปการเรียนคําว่าสาัตว์ตั้งหลายจะต้องตายนั้นอาจจะดูจากปลาจากกุ้งจากหอยจากคนจาก สุนัขจะกไก่จากนอ ก, กอะไรก็ได้แต่มันสะสมข้อมูลสะสมข้อมูลนเอทุกชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองต้องตายกัมนมาทางนั้นนอนเล็กๆ ก, ก็ตายตัวโตๆก็ตายบางทีตัวที่เรามองเห็นไม่เห็นด้วยตาอย่างตายแล้วก็มองกลับมาที่เราเราก็ต้องตายจะทําให้จิตมันหยุดคิด พินิจพิจารณาถึงสาระแก่นสารของชีวิตก็จะเข้าใจถึงความตายมันเรื่องธรรมดาอย่างไรมองย้อนก็ไปสู่อดีตทั้งหลายที่เคยฝ่ายขวัญด้วยกำลังไ่วยขวัญกำลังเหนียวนึกมาเพื่อให้ความบันเทิงใจความรื่นงรวมใจที่จริงมันตายแล้วเอาก็จริงมันก็ตายไปแล้วคนที่เรารักเราชังก็ตายไปแล้ว ทีนี้จุดจุดนี้เราจะเห็นว่ามองในแนวของปัจจัยลักหรือมองในแนวของวิปัสสนากรรมาฐานแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะมองจากมุมอื่นก็ได้เช่นความอาฆาตพยาบาทความเยื่อใยสินเนหาต่างๆซึ่งเป็นอาการของการมฉันเป็นอาการของพยาบาทถห้ลองตรวจสอบดูว่าคนที่เราสินเนหาอะไรตายแล้วคนที่เราอาฆาตพยาบาทตายแล้ว เมื่อก่อนที่เราอาฆาตคนนั้นเราจะหนีหาอะไรคนนั้นแต่คนนั้นตายแล้วแต่ทําไมความินีหาอะไรจึงเหลืออยู่ความประมาิจึงเหลืออยู่และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเรามองคนที่ตายแล้วเป็นผีเอาเป็นผีทําไมยังไปรักเขาในบอกว่ากลัวเลยเราจะเห็นทั้งความสับสนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ความเสน่หาอะไรถึงคนที่ตายแล้วนั้นที่จริงเป็นอาการของความรักแต่ในขณะเดียวกันใจก็บอกว่ากลัวผีความสิ่งอความอาฆาตพยาบาทนั้นเป็นอาการของกิเลสคือความโกรธต้องการจะทําลายล้างไอสิ่งนี้ทําลายล้างนั้นควรจะปรากฏ ต, ต, ต่อหน้าเรายังจะทําลายล้างได้แต่ในขณะเดียวกันใจอีกด้านหนึ่งเป็นการกลัวผีหรือกลัวคนที่ตายไปแล้วก็หมายความมันก็กลัวแม้แต่คนที่เราอาฆาตพยาบาท ไอจิตพวกกระลึกเลย ก, ก็มีสองจิตจิตหนึ่งเป็นจิตกลัวจิตหนึ่งจิต ท, ที่ต้องการทำลายแต่จริงทั้งกลัวทั้งทำลายนั้นก็ตายไปหมดแล้วมันก็เหลืออยู่เฉพาะภายในจิตใจเราเท่านั้นเองก็จะเกิดปัญญาพิจารณาเห็นโทษของกามฉันเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทื่อจะเพียรพยายามลดละถ่ายถอนตัดกระแสของอารมณ์ที่เป็นเสนีหาอาลัยที่ความอาฆาตพยาบาท ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะให้หมดไปซึ่งออกไปอย่าน้อยก็อย่าให้กลายเป็นมุนชินใจการปฏิบัติในแนวนี้ก็กลายเป็นรู้เท่าทันในสมุทัยสัตว์สามารถตักกระแสของตันหาที่ไหลเอื่อยมาหรือไหลแรงมาก็ตามซึ่งประรบที่ริงเป็น อ, อดีตเรียกว่าอตีตารมคืออารมณ์ในอดีต ในแนวนี้ก็คิดจริงว่คือแนวเดียวกับแนวเดียวกันนิวรนาปะภะที่เราพูดกันมาคือมองเห็นโทษของกิเลสแต่ในที่สุดก็เพียนพยายามลดละบันเทาสงบระงับแบบกิเลสก่นอ น, นั้นหรือว่าสังขารในวจีสังขารคือการปรุงแต่งหรือการตรึกนึก สังขารในชั้นบาลีคือสังขารในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นพระพุทธวจนะจริงๆคือเป็นบาลีจริงๆพระเจ้าจะเน้นไปที่ตัววิโต ว, วิจารณ์คือความตรึกนึกซึ่งก็หมายความว่าไอ้ตัวความตรึกนึกนั่นเองอจะเห็นเป็นสามกระแส แลในแนวองการประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติในกลุ่มไหนก็ได้ในกลุ่มของการเพิ่มก็ได้ในกลุ่มการลดก็ได้ในการกลุ่มของการรู้แจ้งเห็นจริงทำความจริงก็ได้ซึ่งหมายความว่าปฏิบัติในเริ่มจากทุกขรรัสสะก็ได้เริ่มจากมรรคัสสะก็ได้เป็นสมุทัยศรรสาสตร์ก็ได้นั่นเองหรือจะจะเข้าไปในอริยศาสตร์ลักษณะนัน้นเพราะอะไรเพราะลองดูสังเกตความตรึกนึกของคนเรา พูดถึงกระแสใหญ่มันก็มีอยู่สองกระแสแต่ละเด็กคือกระแสที่เป็นกุศลกับกระแสที่เป็นอ ก, กุศลคือดีกับไม่ดีพูดง่ายความคิดของเรามีดีกับไม่ดีความคิดจะเป็นกลางๆนี่จริงมีได้น้อยส่วนใหญ่ก็จะดีกับไม่ดีและในกระแสของความคิดไม่ดีมันก็แบ่งออกเป็นสามสายสายหนึ่งเป็นลักษณะของอาการขอยควาปรารถนา อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็วมีกำลังเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งนั้นมีการหวงมีความควงแล้วก็กลายเป็นค่วงอย่างที่ว่าแล้วกิจใจมันก็หมุนวนกันอยู่ในจริงเดียวนั้นพราิ่งนั้นเสื่อมสลายไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะการตรึกนึกจะพบว่าเราก็ตรึกนึกได้ทั้งสาช่วง สึกนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตด้วยความกนัดเพลิดเพลินยินดีอยากให้ใช้กลับมาอีกอยากให้จะเป็นอีกอยากแย้กได้อึกนึกถึงสิ่งนั้นในขณะที่ปรากฏด้วยความกนัดเพลิดเพลินยินดีหรือสึกนึกในแนวไขว้คว้าปรารถนาขอให้ได้ขอให้มีคอยเป็นในอนาคตแล้วก็จะเห็นว่าจิตใจมันก็เล่ารอนที่จริงถ้ามองในแนวนิวรณ์มันก็คือกามาฉันทานิวรณ์ มันก็ไม่อื่นไปจากกลุ่มของดิเลตประเภทนิวรนนั่นเองแต่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองจะปฏิบัติในแนวนี้ก็เป็นการพยายามที่จะลดละบรรเทาเพราะเป็นกลุ่มของกิเลตแต่ในขณะเดียวกันในตัววิตกคือความตรึกนึกนี่ตัววิตกเองเขากลางๆคือปัญหาว่าตรึกนึกถึงอะไร มันก็คล้ายๆถ้วยหรือภาชนะภาชนะนั้นแก่กลางกลางแต่เราใส่ของหวานเข้าไปใส่น้าน้ำแดงน้าเหลืองน้ําเขียวอะไรแต่ไรก็ใายเข้าไปบางก็กลายเป็นแก้วถึงนั้นแก้วนี้แก้วน้นแก้วล่าบแก้วจะพิดแก้วอะไรก็ว่าไปแต่จริงแก้วแกเป็นกลางเพราะความตึกนึกเนื่องจากแกเป็นก ล, กลางนั่นเองแกจึงตึกนึกได้ตึกนึกได้สามอย่าง ซึ่งผิดกับกุศลกุศลกุศลกุศลนั้นแกเป็นอย่างที่แกเป็นแกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เจ้าว่ากุศลก็เป็นกุศลนี่อย่างนั้นแหละสมุทโธเมตตาอดูง่ายๆว่าความโกรธความโกรธเกิดแก่สัตว์มันก็แสดงอาการคุกคามรุนแรงก้าวกล้าไปเกิดแก่คนคนนับถือพูดคนไม่นับถือพูดคนนับถือผีเกิดแกเด็กเกิดแกผู้ใหญ่อาการมันก็เหมือนกัน ก็แสดงว่าแกก็เป็นคนแกอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะแกเป็นอกุศลโดยธรรมชาติแกเกิดแกจิตใครก็แสดงทำปฏิกริยาต่อจิตในลักษณะนั้นอกุศลพวกกุศลธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันเช่นเมตตามาดูความรักก็ได้ความรักความเมตตาที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายก็เกิดขึ้นแกใครก็ได้และแกสัตว์เดชานก็ไดจะอาการทนุถนอมพวงใยเอื้ออาทรทอน มุ่งดีปรารถนานดีโอบอ้อมคุ้งครองปกปักรักษาตามความรู้สึกผูกพันตามความรู้สึกเมตตาในคนในสัตว์เท่านั้นเพราะอาการธรรมะเหล่านี้จึงเป็นสากล ค, คือมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ผิดกับตัววิตกซึ่งแกเป็นกลางกลางเมื่อเป็นกลางกางมันก็เปลี่ยนได้วิตกจึงแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่นะจริงๆแล้วกลุ่มที่เด่นก็คือสองกลุ่ม ในความเราตึกนึ้ในทางดีก็ได้ในความคิดเหล่านี้เองเราก็ตึงเนึ้ในทางไม่ดีก็ได้แต่ในขณะเดียวกันอยู่ที่กลางๆ ก, ก็ได้แก่ก็คงเป็นวิตุกเราตอนนองแก้วน้ําอย่างที่ว่ามาแล้วแก่ก็คงเป็นแก้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นเราเอะไราใส่เข้าไปเราก็เรียกแก้วนั้นเท่านั้นเองเพราะในกลุ่มนี้เราก็ศึกษาปฏิบัติในแนวของนิวรณ์ แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งกระแสจิตมางกลายก็สูส่กุศลมีความตรึกนึกในทางสละในทางสละละคลายบรรเทาความเกาะเกี่ยวความยึดเหนี่ยวการโอบอุ้มการกอดรัดอารมณ์ั้งหมายไปจะมองเห็นคุณค่าของสภาพจิตเช่นนั้นก็เพียงพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติก็อยู่ในกลุ่มของแนวภาวนาหรือกลุ่มของแนวโคชงหรือว่ามรรคศาสตร์เป็นต้น เตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตังความสงบสุขก่อน